อารที่ท่านผู้ฟังเปิดวิทยุขึ้นมาเนี่ยแล้วเผเอิญผเอิญมันเป็นรายการธรรมานี่แค่นี้ก็เป็นเรื่องที่มาหัศาจรรย์มากแล้วพระพุเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในเวลาเช้าเป็นความมหัศาจรรย์อย่างหนึ่งที่ยังมีคําสอนของพระพุทธเจ้าประกาศอยู่ตามสื่อต่างๆทีวีบ้าง hang, วิทยุบ้างอินเทอร์เน็ตบ้าง เป็นความมาสัจันที่เกิดขึ้นเพราะว่าการปรากฏมีขึ้นของสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเปิดเพื่อที่จะฟังข่าวสารตามเรื่องราวต่างๆแต่อเผลอ ญ, ออญได้หมาได้ยินได้ฟังธรรมะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทวนกระแสถึงแม้จะเป็นการทวนกระแสแต่ก็ยังมีคนฟังนี่ก็เป็นสิ่งมาสัจฉันอีกอย่างหนึ่งที่ว่าทั้งโลก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 กำหนดไม้ในข้อความนั้นเผื่อว่าจะได้เห็นแจ้งแทงตลอดได้อันนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากความมหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นที่ไหนตงมุฟังแน่นอนละว่าเหตุของการเกิดขึ้นของความมหัศจรรย์เหล่านี้เกิดจากการที่มีสมาสัมปุทธเจ้ากรดจากการที่มีคำสอนที่มีอยู่ในโลกคำสอนนี่มันก็มีอยู่แล้วล่ะือสิ่งธรรมะเนี่ยมันมีอยู่แล้วในโลกนี้นะ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 เลยการที่เราจะมาทำความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้นี่มันก็ไม่ยากที่ว่าไม่ยากนี้ก็ต้องมีเหตุของความไม่ยากหรือถ้าไม่มีเหตุทำให้ทำเราทำความเข้าใจได้มันก็ยากแน่และซึ่งเหตุของการที่จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นในจิตของเราได้อัับแรกก็นี่เลยคุณต้องมีหูผู้นั้นต้องมีโสตประสาทโสตประสาทก็คือหูนั่นแหละ แล้วก็จิตที่เข้าจะเข้าไปรับรู้ทางเสียงต้องมีมีหูมีส่วนประสาทแล้วอย่างหนึ่งก็ต้องมีศรัทธาผู้ชาตอนนั้นอยู่ใต้ต้นไทรมันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะหลังจากที่สามบดีพรมมาพูดถึงคนที่มีทุลินในดวงตาน้อยก็มีหลังจากที่ได้ใคร์ครวนพิจารณาแล้วก็บอกถึงว่า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 เป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมอย่างมากเป็นดินแดนเขาที่เข้าไปแล้วเหมือนอยู่ในคุกถูกจํำขังเอาไว้และไม่ได้มีอิสระนั่นคือการที่จะไปสู่นรกกาเนิดเดรฉ า, านวิสัยแห่งเปรต ท, ที่ที่เป็นภพต่าทั้งหลายสีนี่แหละทั้งหมดหังจะเป็นตัวที่ปกป้องเราไม่ใช่ว่าจํากัดไม่ให้เราทาอันนั้นอันนี้แต่เป็นสิ่งที่ปกป้องเรางน้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 ไปก้าวลงในสิ่งต่างๆเหมือนว่าไปวับไปวับไ ป, วบไปดวงนี้เกิดดวงนี้ดับไปไปเรื่อยๆเหมือนกับลิงวานอ น, นี่แหละลิงเนี่ยกระโดดจับกิ่งไม้กิ่งนี้จับกิ่งไม้กิ่งนั้นมันวบบวบวไปอยู่เลยไปตามสัมผัสนั่นเองอเอาคว่าทางหูเนี่ยหรือทางใจหรือทางกายใจเราเดี๋ยวปวดหลังเอาไปอยู่ที่หลังแล้วมันได้ยินเสียงก็มาอยู่ที่หู เ, เดี๋ยวมาความคิดนั่นก็นไปอยู่ที่ใจกระโดดไปกระโดดมาอย่างนี้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 เป็นหลักอยู่ได้หมวดธรรมะที่พระเจ้าให้ไว้ในการที่จะรักษาจิตตรงนี้ก็คือสัมมาวยามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจิตของเราให้ปักลงไปมั่นลงไปปลงลงไปแต่ซึ่งศรัทธาซึ่งความมั่นใจในการปฏิบัติให้จิตของเรามีสติให้จิตของเรามีสมาธิส ม, มาธิในที่นี้แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ได้คิดอะไรเลยเกิดนั้นก็ดีส่วนหนึ่ง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 การทำจริงนั้นคือสัมมาวายามะนั่นเองเราทําจริงแน่วแน่จริงในการที่จะเอาไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลออกไปจากจิตทําจริงแน่วแน่จริงในการที่จะนําสิ่งที่เป็นกุศลเข้ามาในจิตคุณจะทําตรงนี้ได้คุณแน่นอนคุณต้องมีสมาสติสติคือความระลึกได้ว่าเฮ้ยฉันต้องทําความดีนะฉันต้องไม่เปออกนอกทางนะฉันจะต้องอยู่ในรูในร่องในรอยบางคนก็จะมีความคิดว่าไอ้ร่องรอยนี่มันเหมือนกับเป็นการกาจัดกํกำเกียด ติดใจของเราหรือความคิดการกระทำของเราหรือเปล่าตัามบฝั่งร่องนี้มันใหญ่มากนะมักแปดคือหนทางนี้มันกว้างมากจริงๆริงถ้าจะพูดถึงก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาโอ้โหมันกว้างมากในการกระทําชีวิตการดําเนินความเป็นอยู่คุณจะไปซ้ายไปขวาโอ้ถนนมันใหญ่มากกว้างมากแล้วจะอยู่เลนนั้นเลนนี้หรือเลนไหนมันให้เลือกได้สบายมไม่จําเป็นว่าเราจะต้องถูกกําจัดกํำเกียด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 เป็นทางที่กว้างเป็นทางที่ยืดหยุ่นเป็นทางที่เป็นหลักเกณฑ์เอาไว้ให้เราก็มีข้อปฏิบัติอยู่ได้หลายอย่างซึ่งจิตเนี่ยถ้าเผือว่าเรามีหลักมีฐานที่ตั้งเนี่ยจิตของเราก็จะสามารถที่จะเห็นตามที่มันเป็นได้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงอย่างเวลามีอะไรมากระทบจิตนะถ้าเผื่อว่าจิตของเราไม่มีที่ตั้งนะคือจิตที่เป็นเหมือนกับปุยนุ่นปุยฝ้ายเนี่ย มีอะไรมากระทบมันก็ปลิวไปตามลมล่ะลมพัดมาก็ติปลิวตามไปการที่มันจะเป็นหลักเป็นอะไรมันก็เป็นไม่ได้แต่ถ้าเผอว่าจิตเป็นเสานลักษณะของจิตเป็นเสาเป็นหลักเวลามีอะไรมาพัดมาโดนมาเอ๊ะมันมั่นคงอยู่ได้เราก็จะพอสังเกตได้ว่าเออสถานการณ์อย่างนี้เป็นยังไงทำอย่างนี้กิจกรรมนี้คืออะไรแล้วเราจะเห็นสภาพตามที่เป็นจริงได้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 ตามกระบวนการของเขาเราอย่างมาดูสองกรณีนาคนที่มีจิตอ่อนปวกเปียกหเรามีอะไรมากระทบเขาทั้งหูก็ตามเรื่องนี้มากระทบแม้มันจี้ขึ้นทัน ท, ทีพอเลือดขึ้นหน้าจี้ขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้ได้เลยว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นมันจริงหรือเปล่าหรือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นถูกต้องหรือไม่แล้วเราจะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเพราะว่า ตอนนั้นเหมือนมีตะปูมาตรึงจิตของเราไว้ล่ะตอกตรึงจิตของเราไว้ให้อยู่ในแดนที่ไม่สามารถจะมาเห็นตามจริงได้แต่เป็นดินแดนที่เป็นอกุศลล่ะจิตเราจะจะไม่สามารถเห็นตามจริงแต่จะไม่รู้ได้เลยว่าคําพูดที่เขาพูดมานั้นจริงหรือไม่จริงอันนี้คือคนที่จิตขึ้นมาปีติขึ้นมาในทางข้ามถ้าจิตของเราแล้มีหลักมีหลักที่ตั้งปักเอาไว้ล่ะมีอะไรมากระทบปุ๊บเป็นคําที่เราไม่พอใจความไม่พอใจเกิดขึ้น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 ได้ฟังเสียงได้เห็นภาพรายรใดอยู่เรื่อยด้วยจิตที่เป็นลักษณะนี้ความรู้ความเข้าใจมันเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าเราเห็นสภาพตามที่มันเป็นเราอาจจะไม่ได้เห็นทุกแง่มุมอาจจะเห็นแง่มุมนี้อ้าวโดนผ่ัสสะนี้มากระทบวันนี้เราเห็นแง่มุมนี้จิตเรารักษาให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเออพรุ่งนี้บ่ายนี้เราเห็นอีกแง่มุมหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเห็นจริงๆในลักษณะที่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็จะมีความฉลาดค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เหมือนไหลทะเลที่มีความลึกลำ้ำลงไปเป็นลำดับนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเหมือน น, นะที่ว่าบางทีมันก็ค่อยๆลึกซึ้งลงไปไอจิตที่เป็นแบบนี้แหละจะทำความลึกซึ้งให้เกิดขึ้นได้แม้หลักที่เราใช้เป็นที่เกาะหลักที่เราใช้เป็นที่พึ่งเนี่ยมันก็มั่นคงขึ้นได้บางทีมันอยากจะหลวมๆอยู่เราก็ฝึกให้ดีปฏิบัติให้ดีรักษาสิ่งของเราให้ดีพอมีความไม่ร้อนใจ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 ละเอียดไปเราก็จิตใจเราก็ละเอียดลงเราก็จะทําความจำแจ้งลึกซึ้งในธรรมะวินัยนี้ให้เกิดขึ้นได้เรื่องของสมาธิเรื่องของจิตแตนะ่เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกทำบุญฝั ง, งฝึกแล้วจะรักษาจิตของเราได้ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องมาทําในรูปแบบการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นรูปแบบนั้นเป็นสิ่งดีเราควรทําอยู่ในได้เดียวกันเราเร า, เราทําไปได้เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานะอยู่ในอริยบทใด เดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่ทำกับข้าวอยู่ทำงานอยู่รอรถเมย์อยู่อยู่ในที่ประชุมอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เราสามารถที่จะรักษาจิตของเราในแนวนี้ได้แตนไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราทำอย่างถูกต้องเรื่องที่มันจะยากได้ก็คือทำผิดนั่นละเราจะหวังผลให้มันเกิดขึ้นมันก็ยากแน่แต่ถ้าเรามีศรัทธามีความเพียรเรามีหูอยู่ด เรามีหูได้ยินเสียงมีโสตประสาทเรามีศรัทธาจะสามารถทําความเพี่ยนให้เกิดกันได้การปฏิบัติจริงการทําอย่างจริงๆจังๆนั่นแหละมันจะเกิดจากกันที่เราเป็นผู้ที่มีความมั่นใจเรามั่นใจในคํำสอนเรามั่นใจในข้อปฏิบัติเราเห็นความมอัศจรรย์นี้ว่าเปิดมาแม่ก็ยังมีรมายการธรรมะออกอากาศมาเอา้ามันดีแล้วเมีความมั่นใจตรงนี้เราทําทําตรงนี้ไม่ได้ว่าจะต้องหยุดทุกอย่างถึงค่อยทําได้ เอาทํามันตอนนี้แหละหูได้ยินเสียงเราก็ทําเลยนะตาอ่านหนังสืออยู่เราก็ทําเลยเดินอยู่ขาก้าวย่างอยู่เราก็ทําได้เพราะมันทําในจิตนั่นเองปักหลักลงไปดูฟังปักหลักให้มัน่นคงให้มีที่มั่นที่พึ่งให้ถูกเอาความดีนี่แหละเอากุศลธรรมที่เรามีนี่แหละเป็นที่มัน่นเป็นหลักของเราเราจะแก้ไขจิตของเราได้นะเราจะแก้ไขจากสิ่งไม่ดี สิ่งที่มันหลวมมันโคลกเคลกมันไร้สาระให้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาได้คุณต้องใช้วิธีที่มั่นคงมีสาระมีความดีนะจะเอาความที่หลวมโคลกเคลกไร้สาระไปแก้ความที่ไร้สาระมันไม่ได้มันก็ยิ่งจะสกปรกกันมากขึ้นขึ้นไปใหญ่มันก็ยิ่งจะหลวมโคลกเคลกไร้สาระกันมากขึ้นขึ้นไปใหญ่เราจะทําสิ่งที่ไร้สาระให้มันมีสาระสิ่งที่มันไม่หลวมโคลกเคลกให้มันดีขึ้นมาเราต้องใช้ความมั่นใจ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 แต่ความขาวกุศลธรรมนี้ก็จะค่อยเพิ่มขึ้นได้เราไม่ได้ดูกันที่จำนวนแต่เราดูกันที่ความถูกต้องถ้าคนที่เห็นว่าสิ่งนี้ถูกต้องแล้วนั่นก็ทำทำแล้วดีดีแล้วความดีนี่แหละจะชนะได้ถ้าเราฟังมีคำถามข้อเสนอในดๆนั่นก็ส่งกันเข้ามาได้ไปทางเว็บไซต์ที่ purethma.com p-u-r-e-d-h-a-m-m-a เดี๋ยวันนี้ข้าพเจ้าพระอภัยบูรกกขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เดินยรำบาน